กำลงทกันเพราะเราชาวพุทธถ้าบริษัทบริษัทของเราทำให้เจริญเอกับบริษัทต่างๆพวกบริหารบริษัทถ้ามีความรอบค้อก็อออบริษัทเขาก็เจริญ พุทธศาสนาของเราก็มาร่วมกันเป็นบริษัทภิกษุภิกษุณีบาศกบาศิกา mm hmm. เพื่อให้ธรรมะธรรมะโอสฐ์ <c oughs> คือพระพืทธเร้าก็คือความไม่ตายความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บ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 ไม่ยอมแม้นว่าหลวงพ่อเนี่ยพ่อไม่ยอมจะพยายามที่จะไม่ให้คนเกิดคนแจ็บคนเจ็บคนตายจะยอมไม่ได้ยึ่งเพียรพยายามที่จะอาจจะพูดว่านำนำพาเพยงพยายามที่จะนำพานำพาไปสู่ความไม่เกิดไม่แจ็บไม่เก็บไม่ตาย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 การที่จะสร้างก็ต้องมีการกระทําคือกรรมความอย่างนี่มันเกิดจากนี่ขึ้นมาจึงเรียกว่าวิชากรรมฐาน mm. วิชากรรมฐานนี่เป็นอ <c oughs> ืการศึกษาเรื่องชีวิตของเราเป็นสูตรสูตรหนึ่งเราจะว่าเราก็คือสูตรความไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเราต้องมาศึกษาสูตรนี้ สุดนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่ไห น, นไม่ได้อยู่ต้องตัวเราไปก็คือเรื่องของกายของกิตนี่แหละเราจรึงมามีสติดูมาดูมาเปิดตำราเรื่อนี้ดูขยันดูอย่างนี้ไปไหนดูมันอยู่ตรงนี้เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นอืพระสิทธัถะไม่ธรรมามากแล้ว ต้องว่าหกปีทดลองพิธีอะไรต่างๆหลายอย่างเรียนกับครูวายอาจารย์ต่างๆมากมายพ้นข้อด้วยตนเองก็มากจนเป็นปีที่หกอ้าวเราไม่มีส่วนไหนแล้วไม่นี่แหละไม่กายไม่กินกนี่แหละอะไรมาหนีสติ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 พมพาก็ยังสวยถ้าไปก็ได้พระศาตร์สามระดูยังรออยู่ถ้าไปก็ได้พระเจ้าจากาักรพรรดิเขาดูอยู่ก็ยังรออยู่ถ้าไปก็ได้สามันสนมกำนันในก็ยังรออยู่ถ้าไปก็ได้พระชาราศก็ยังยินดีซ่อ ง, อ, งองส่อสันกรเสริฐอยู่ไม่ไปมาดูอยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ดูตรงนี้ในที่สุดก็ตกตาง เราชาติทิ้นแล้วผ ม, มัจนอยู่จบแล้วอตื่นที่จะต้องทําไม่มีอีกแล้วเนี่ยที่เราทําอย่างนี้สามร้อยตรงนี้แหละสามรอยกันตรงนี้นีสติต้องมาสร้างต้องมาทําเอาไม่ใช่อ่อนรอนพระพุทธองค์ของเราทําอยู่ตรงนี้ตั้งต้นจากตรงนี้เราเชิงพากันมาศึกษาก็ทาอย่างนี้ ทำถ้ า, ากันทําอยู่อย่างนี้สุขโตรเราทำกันอยู่อย่างนี้น้อยก็ทําไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีเข้าพรรษาไม่มีออกพรรษาไม่มีวันไหนไหนไมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่สร้างความรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวมันเป็นธรรมมันเป็นกุศลจ ร, จริงๆเหมือนกับเราสวดมัตต์กีเนี่ย พระพุทธเจ้าเขาลบพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยจะเป็นไปอีกด้วยนานเท่าไรก็ไม่รู้เพราะธรรมในหน้าเขาลบความชั่วเป็นอกุศลก็น่าเคารพคมชั่วเหมือนกับขี้ไก่ขี้หมาอย่าไปเยียบมันถ้าไปเยียบแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นนะเยียบขี้หมามานนั่งน้ำมูลอะไรกันไนอ ไปเหยียบขี้ไก่แล้วมันนั่งน้ามูร์เลยไปไนไหเม้นเลไป ม, มาล่ะโอ้ยพอได้เหยียบี้บานนี่เม้นเม้นเนยขนทำความชั่วเคารพบอย่าไปคิดชั่วอย่าไปพูดชั่วอย่าไปทําชั่วนี่แะทําที่เป็นอกุศลเป็นความชั่วพระพุทธเจ้าก็เคารพบมองเห็นที่ใดรเราเคารพผลหัวลุกอย่าไปคิดชั่วไปคิดไม่ได้ แต่ไปพวดชั่วก็พูดใม่ได้จะไปทำชั่วก็ทำใหม่ได้เ็า อ, อะไรเพราะเคารพความชั่วเป็นเรื่องเคารพมากมา ก, มากลบหลีกงดเว้นหลีกช่างสิบว่าหลีกคนบ้าสิบเส้นหลีกความจิดช่วยชั่วล่อโยดพันโยดอย่าไปคิดหัวมันพยายามมีความรู้สึกตัวเข้าไปแล้วทำที่เป็นกุศลอันนี้ก็เคารพ น้อมมาใส่เราน้อมเราเข้าไปอะลกเวลาใดที่เราได้นั่งกติของเราจะยกมือสร้างจังหวะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวเนี่ย mm hmm. มันก็ว่ามันสุดหัวใจคราใดที่เราได้ยกมือสร้างจังหวะมีสติคลาวใดที่เราได้เดินจงกรมมีสติคราวใดที่มันคิดไปลรากกลับมามีสติ เอาใดที่มันเกิดอะไรขึ้นความกลัวความกล้าเกิดชิเลตตัณหาเกิดควา ม, วา ม, วา ม, วามง่วงเหงาหอนอนเกิดความคิดโผงผางเกิดความลังเลสงสัยเกิดพยาบาทล้วกลับมาหาความรู้สึกตัวเดียวเลยไม่ฝ่ายไม่เศร้าห ม, มองไม่พัดพลากไม่จอดไม่อาภัพเมกลับมารู้สึกตัวนี่สบายเลยไม่มีแล้ว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 อาจจะเป็นการถายถอนเป็นการยกตนขึ้นเป็นการยกตนขึ้นฝั่งรูที่เราแล้ยกวสุดหัวใจแล้วไม่มีอะไรแล้วรูสุดตัวฉันรูสุดตัวเราเป็นยังไงไม่มีอะไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าของเราเก็อยู่ตรงนี้เก็อยู่ใต้ต้นโพธิโพธิคือสติคือตัวสติตัวปัญญา ตัวรู้สึกตัวอย่าหนีไปไหนวันนี้ไปถึงไหนเราหวางพอเพรมไปถึงนาแห้งไม่มีน้ําเลยผ่านกล้าแล้วไม่มีน้ำำําดําไปถึงไหนมันวิน่งไปกลับมากลับม า, บมาอย่าไปไปถึงคนรักไปถึงคนชังไปถึงความยินดีไปถึงความยินไล่ไปน่นอย่าไปนั่นมันเป็นโลกโลกมันรสชาตินะ่ะ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 ความรู้สึกมันตัดเวรตัดภัยไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วความรู้สึกนี่เราก็ทำได้ถ้าเรารู้สึกเราก็ทำได้ไม่มีใครที่ทำไม่ได้ถ้าเป็นคนบ้าคนเป็นใบบ้าเสียจิตหิอ น, นั้นทำไม่ได้ถ้าเรายกมือขึ้นพลิกมือขึ้นรู้สึกเอไม่ว่าใช้ได้แล้วมันก็มีเข้าวข้าวข้าปูก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 เมื่เราปลูกข้า ว, วต้องปักลงไปตรงนี้ต้องปักลงไปตรงนี้อากควาปักอยู่ได้นานเท่าไหร่ต้นข้าวต้นกล้ า, ต, าต้นไม้เราปลูปกไว้มันก็เจริญเติบโตมันก็ออกลากมีลําต้นมีจริงการสาข า, าไปมากก็เกิดดอกออกผลแ้่เราปลักหรอแต่มันหลุดไปเรื่อยมันก็ไม่ได้ปลักมันก็เหี่ยวบ้าง ขึ่งตายขึ่งเกิดขึ้นตา ย, ตายบางทีก็ตายไปเลยศูนย์พันไปเลยเราจึงกลับปฏิคือกลับมามาลูเสรจตัวมาลูส่สรตัวนเราดำนาต้นไหลต้นมันถอนลอยน้าขึ้นเงนเหลืองเงนว่าพอเต็มเหลืองยให้ยตงมตายันวะเไรเาปเนี่ยเนร้ารเห็นต้นขอรอยน้า จะไปปักลงดินไว้ไงบ่ ม, มูมูเขาตอดทางไกลหรอกจะคลองยังเหลืองไปให้เอาไปปลักลงดินนะไปปลักลงดิ น, นก็ค่อยออ ก, ลกหลักอานังนาเป็นธรรมชาติหรอเกิดล่าขกกึ้นมาล่ามันก็โดดไปในดินโดดน้ําไปเอาไปมาก็ลำต้นจากสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวสร้างเมือสร้างตัวออกกิ่งก้านสาขาอายที่เดกยวก็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 อันนี้ก็มือนกันเราโูดสึกตัวเข้าไปโลดสึกตัวเข้าไปเหมือนให้ชีวิตพระมัญชันความโูดสึกตัวนี้เมืม่อ ม, มีมากมีมากก็กลายไปเป็นศิลป์ไปละไปเป็นสมาธิไปเป็นปัญญาไปเป็นมากไปเป็นผล น, น, นั่นล่ะไปเป็นความหลุดพ้นไปเลยทําให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปโ น, น่นเหมือนพระพุทธเจ้าไปโปรดมิชชารถถิเศษฐีมิจชาทิถถิไปเยือนวินธรบาต ยืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีเศรษฐีมิเชาทิศตะไม่ศรัทธาพระพุทธเจา้าก็บอกว่าไปเถอะไปเถอะทำนาหัวโลน้นอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เปิดเป็นวันไหนมาขอเด็กเขากินทํำนาเลยไม่ทําอยู่ทําจินเหมือนเขาพระพุทธเจา้าดูก่อนท้าน์สาบดีเราก็ทํานาเหมือนกัน อาโกหกแล้วโกหกแล้วนาอยู่ที่ไหนไปเห็นหนาที่ไหนกับเขาเลยไม่แต่บาทุ้วนกระามหมอ้อดินไปหาขอเขาไม่เห็นทํำนานาอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าจะดูก่อนท่านขาบอดีนาของเราคือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วก็ชั่วนาของเราอยู่ตรงนี้อืม <c oughs> สติของเราคือความคือเข้าปลูกเข้าพันไถของเราคือสมาธิเรามีความมั่นคงสามารถพลิกความร้ายกลายเป็นความดีพลิกขันดินได้แน่นหว่ะพ่อเป็นหญ่รารกขนาดไหนพลิกลงไปสมาธิของเราเหมือนกับขันไถสติของเราเหมือนกับเข้าปลูกความเพียงของเราเมันกันหน้าฝน นวานลอยลงไว้น้าฝนช่าตลอดเวลาเราไม่หยุดเราจะพยายามทําดีไปเรื่อยๆเอื้อมความเยนไปเรื่อยๆเหมือนกับน้าฝนปัญญาของเราลุจายจากไข่นาเข้าเลุจยจากไข่นาออกเราได้ผลคือมรรคผลในผ่านได้กินแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายส่วนนาของท่านคาหาบอดีเอาข้าวมากินกินแล้วยังเกิดยังแก่ยังเก็บ ย, ย, ยังตายอยู่ เศรษฐีช่งเเลยพื่อเปลี่อา้อาวอ้ามันเรื่องอะไรนาะไหนๆลองพูดดูสิว่ า, าลับบานขึ้นใรบนบา้านให้พระพุทธเจ้าแสดแงทำพูดเรื่องนี้ให้ฟังเลียกลูกเรียกเมียมาพรทธเจ้าก็แสดแงแล้วนี่เรื่องความความเพียรเรื่องนาของพระพุทธเจ้าเศรษฐีก็เกิดศรัทธาเอาข้าวไม่ใส่บาท ในมนพระเจ้าไปฉันทิวานแสดงตนเป็นอุบาสกวาสิกาอะไรนะนี่เราทำนะถือศรัทธาความชั่วให้มันมีเชื่อว่าทำดีมันก็ดีจริงๆทำชั่วก็ชั่วจริงๆทำดูแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวตมันเป็นไรมันเป็นธรรมถ้ามีความหลงมันเป็นยังไงมันไม่เป็นธรรมมันซัดเราไปโทษ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 ให้พอเป็นเป็ี่นคิดถึงแม่อ้วนบองเราแม่อ้วนไปห้ามมากคนหน่อไปห้ามัากูนนุ่มแล้วไปห้ามมากเบาๆหน่อยๆแล้วเราเลืมเราแกแล้ยวมองเราไปยังไงเห็นเขาแม่อ้วนไปพูดยังไงไปเดินยังไงก็คิดทางไม่ดีเลยสิมันจะเกิดอะไรขึ้นพอเป็น่ยนเขเติบใยญ่เกิดความอิจฉาพระามวัดอะไปล่ะ น, นี่จะคิดไม่ดีความหลงก็พาเราไป คิดเรื่องกิเลสตัณหาก็เพ่งเล็งไปมันจะเกิดเลยคิดความโกรธโกรธขึ้นมาเอาไปมาฆ่ากันไปติดคุกถึงคิดได้โอ้ยผิดจะแล้วแก้ไม่ได้หมายที่สุดก็ชีวิตเราเสียเวลาไปบัตรนี้เราไม่ต้องให้เสียเวลามันเริ่มตรงนี้กันลู้อสุดตัวเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นผวมลู้อสุดตัวอยู่ที่ไหนง่ายไหมง่าย สามารถทำอะไรทุกคนหรือว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะัียโกปัจจตังเวคิดตะโกูลได้ทําได้ทุกคนทําได้สิ่งที่ทําได้จึงเป็นสัจธรรมสิ่งไหนทํำไมได้ไม่เป็นสัจธรรมจังเขาบอกว่าไปเป็นเทวดายูขี่ฟ้ามันไปไม่ได้ไปได้เ่าไปอยู่ทั้งขี่ฟ้าอยากไปเ่าะเพราเปมไปอยู่เมืองสวรรค์ยูขี่ฟ้าย้อนๆไปบ่ อยู่บ้านไม่เขาเนี่ยอยูก็แม่อ้วนเห้นมีความสุขเลยเนี่ยอยู่ได้บ่อยู่เนี่ ย, ยจะไปอยู่ขี่ฟ้าได้บ่เอ้อมันไม่เป็นปฏจจจตังไม่ทําไม่ได้สิ่งไหนทําไม่ได้ไม่ใช่คาสอนพระริจาคมีสิ่งไหนที่ทําได้ด้วยปีมือของเราเราละความชั่วเราทํำความดีเราทําได้เนี่ยให้เป็นสวัสดิ์สวรรค์คือความอารมณ์ดีๆอารมณ์ดี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 โลกโซบุรีบุรีกันนี่ผานไปแล้วอไม่มีแล้วในชีวิตนี้ไม่มีแล้วโลกโกรธความโกรธก็นี่พานไปแล้วเลกทุกข์ความทุกข์ก็นี่ผานไปแล้วไม่มีลเลยพ<ะ>เอเป็ดไอ้กอด ท, าทาําไมไปตอกทําไมมันมนี่ผานอันนั้นมันสูญไปมันไม่มีมันไม่มีในใจของเราไม่เอาเลิลกกิจกาพยาบา้านไม่มีไม่บียดเดียนตนแลยไม่เบียดเดียนคนเลย ให้มันนิพานไปเล่านิพานไปบุรีนิพานไ ป, นนไปความโกรธนิพานไปความทุกข์นิพานนิพานคือเย็นแล้วเย็นแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไอออนไม่มีไอออนมันผ่านไปที่เย็นผ่านไปที่เขาเผาออกจากเตาใหม่ๆ ม, มันยังไม่เย็น เอามารวมกันมันยังมีไออุน่นอาจจะเกิดไปเขาเรียกว่าสะอุัพพิเสสนิพันธ์นิพัน์ยังมีไออุน่นยังมีคุดขึ้นมาเป็นอยัง ไ, ไงนะอันนั้นอันนั้นยังมีไออุน่นเอาไปมามันจะเกิดไปได้อุปทิเสสนิพานธ์นิพันธที่เย็นสนิดนานไฟที่เย็นเอาไปข้างบนบ้างก็ได้เอาไปไหว้ที่ไหนก็ได้ เย็นเนี่ยหมายถึงกิจหมายถึงคีวิตของเรามเย็นเอาแล้วเนี่เลิกกันแล้วอาวุชาติชิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเอาละชีวิตเราไม่มีภัยใจตัวเองไม่มีภัยใจคนอื่นนะที่จริงเราก็ทำด้นี่คือพุทธบริษัทของเราธรรมโอสถได้สัมผัส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 เราจะไม่เปลี่ยนเลยเราไม่มีสิทธิอะไรเลยเราจะต้องจำนนต่อทุกอย่างหรือเราจะต้องทำทุกอย่างหรือมันก็ไม่ใช่จะมาไ ป, ปเปลี่ยนมาเป็นทางดีบ้างปเปียนมาเป็นความรู้สึกละก่อนที่จะรู้จะเปลี่ยนเราต้องมาสร้างให้มีเรียกว่าอาเลียทรั์ภายในมีไหมังจาเรามีเงินชื่ออะไรก็ได้สื่อข้าวกินชื่อผ้า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 มีกุศลฉละมีบนจิตใจดีรู้กแก้ไม่มีตรงไหนที่ปิดบังอําพรางเพราะรู้เพราะมีหูมีตารู้เรื่องแล้วเกี่ยวข้องมันเราอ่านหนังสือได้เขาเขียนไว้ว่าทางข้องอันตรายเราทำรถไปแล้วก็ระวังทางขึ้นเขาใช้เกลียดต่ำแล้วก็โลก ทางลงเขาใช่เกลียรต่ําเราก็รู้เขาก็ปฏิบัติตามเราก็ปลอดภัยถ้าเราอ่านหนังสือได้ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้ให้บ้ า, บานแจ้งขายเข่าวัตและเขียนที่เขียนไปเสือกตายเขาเขียนว่าทางเท่นี่เสือกุกอ่านหนังสือไม่ได้ให้บ้ า, บานแจ้งขายข้าวัตและเขียนไปเสือกตายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราลูบสึกตัวเลย มันบอกศีลก็เกิดสบาธที่ก็เกิดปัญญาก็เกิดมรรคผลก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลลูก้ขำมรรคผลทุกโอกาสเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นมรรคความไม่โกรธเกิดขึ้นเป็นผลเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนความทุกข์เป็นมรรคความไม่ทุกข์ก็เป็นผลเปลี่ยนความหลงเป็นมรรคความไม่หลงเกิดขึ้นก็เป็นผล ไม่เบียดเป็นตนจิตใจไม่ได้คิดทุกข์ซาเป็นมรรคจิตปกติเป็นผลจิตใจวันไว้ผู้ผู้แพร่พยายามทําจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิอใดที่มันจิตผิดปกติไมีความรู้สึกตัวหลอบเคาะหลอกลู้ในกองสังขารที่เห็นความเกิดความแก่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นปัญญา มีได้สินมีแต่สมาธิมีแต่ปัญญามาช่วยเรามาช่วยเราช่วยจริงๆริงสินช่วยเราจริงๆสมาธิช่วยเราเขาลบเนะขาลบพระธรรมไม่มีสิ่งใดได้หน้าเคารพเท่ากับพระธรรมไม่เคารพผีไม่เคารพอะไรทั้งหมดเลยเคารลบสินเคาร์บธรรมเคารบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคนพระพุทธเจ้าก็คือผู้ลูกผู้ตน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 ตัวเรานี่แหละเป็นตัวศาสนาเราไม่มีทุกข์เราไม่เบียดเบียนตนเราไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ เ, เรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญไม่ใช่อยู่ที่วัดวาอารามพระสงฆ์มากมากอันนั้นอาจจะไม่ใช่ฉะนั้นเขาในมลพระไปไปชุมกันเขาก็ใน ม, มนลหลวงพ่อเหมือนกันเขาก็ประกาศว่าเจริญแล้ว ทางวัดธรรมกายเขาในมลพระไปบอกว่าเป็นแสนเจ้าชายเจริญใครไปก็ได้เงินบางคนก็ได้ห้าพันสามพันถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลเมือหลวงพ่อก็ได้แล้วไปละพันระเจ้าว่าก็ได้ละสามพัน